หายไม่ค่อยดีหายใจไม่ค่อยคล่องมันรวนไปหาเรื่องอื่นหมดนอนก็ไม่ค่อยหลับหายใจฟึดฟัดฟึดฟัดอยู่นั่นน่ะนะถ้ายิ่งกลุ่มคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอยู่เรื่องยาด้วยหรือแม้กระทั่งปวดฟันอย่างเดียวนี้ก็พานเสียเรื่องอื่นไปทุกเรื่องเลยกันเลยมั น, ม น, มนใช่ใช่ มันร้าวไปเรื่องอื่นๆหมดเลยนะหรือถ้าปวดหัวอย่างเดียวเนี่ยนะมันก็ร้าวไปโรคอื่นเลยอีกสารพัดโรคฉั้นสังขารทั้งหลายเนี่ยถ้ามันเป็นแม้แต่อย่างเดียวนะมันพายังอื่นเสียหายหมดละนั้นมหาพูแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยนะมันมันเข่นฆ่ากันหน้าดูเลยมันเอาจนตายจริงๆอ่ะนะไม่ไม่ให้เหลือหรอกใครที่พิจารณาอรกระว่าอาศัยมหาพูที่มันยังดีๆอยู่เนี่ยนะ มาทำปริญญาผู้นั้นก็จะทาที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถ้ารอให้มันเป็นก่อนแล้วเอามาพิจารณาเอามาทำปริญญาเนะี่ยหมดสิทธิ์หรือเป็นเรื่องที่ยากเอามากๆเลยแหละเพราะว่าทางธรรมะเนี่ยแม้กระทั่งคนที่บวชนะคนที่บวชเนเขาคนชราภาพเขาไม่ให้บวชนะตามธรรมนิยนเขาไม่ให้บวชเพราะบวชแล้วเคยว่าไม่สามารถทาสมณะกิจได้ นับตั้งแต่ศีลและสิกขาก็เริ่มมีปัญหานั่นนะแต่คำพีท่านบอกว่าบอกสอนก็ยากอันนี้อย่างหนึ่งละก็คือถ้าสอนเนี่ยสอนให้ไปทําอะไรก็สอนให้ไปทรงจําคําสอนใช่ไหมถ้าอุปชาอาจารย์จะสอนนั่นนะท่านสอนเรื่องอะไรก็บอกอันนี้ควรจํานะอันนั้นไปท่องนะไปคิดอย่างนี้นะมันจําไม่ได้มันก็ไม่ทําตามคําของครูบาอาจารย์นะไม่อยากจะท่องไม่อยากจะจํามันก็ปัญหาเรื่องอื่นก็ร้าวรานไปหมด เรื่องศีลก็มีปัญหาถ้าศีลไม่ค่อยดีสมถะจะไปดีได้ยังไงเวปัสสนาจะไปดีได้ยังไงฉะั้นสุขภาพเนี่ยนะร่างกายนี่ส่วนที่นับว่าสําคัญมากๆาั้นใครที่ตอนตอนนี้นะเป็นผู้ที่มีบุญที่ยังพอจะเจริญอะไรได้พอที่จะเรียบบาเพ็ญสมณธรรมทั้งหลายเพียงพอที่จะเจริญไตรสิกขาก็รียบเจริญไปเถอะเพราะว่า โอกาสอื่นๆเนี่ยนับว่ายากถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยนะแก้ยากซ่อมยากถึงมันพอซ่อมได้มันก็ไม่ดีเท่าเดิมแล้วสุขภาพเนี่ยเป็นอย่างนั้นหมดเลยใครที่ไม่ประมาทเนี่ยนะเรีบภาพเพียนที่จะเจริญเนี่ยผู้นั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้อมะตะพระองค์ตรัสว่าอมะตะนี้เป็นเป็นธรรมะที่ใกล้ต่อพระนิพพานเนี่ยนะเรพเราะคําว่าความไม่ประมาท ความไม่ประมาทที่เป็นทางแห่งอมตะไอ้ความว่าไม่ประมาทนี้อมความในไตรสิกขาทั้งหมดเลยศาสนาทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคก็อยู่ที่ไตรสิกขาไตรสิกขาจะมีได้สำเร็จได้ก็อาศัยความไม่ประมาททีนี้ความไม่ประมาทท่านบอกว่าไม่อยู่ปราศจากสติคือคำนวณได้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมคำนวณกรรมและผลของกรรมเนี่ยออกว่าเป็นอย่างไร รู้ว่าปริภินยยธรรมเป็นอย่างไรปรินยยธรรมเนี่ยแค่ไหนปหาตประธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรศัชิกาตประธรรมตลอดจนถึงพาเวตปรธรรมนั้นจะต้องเจริญอย่างไรจะต้องอบรมบ่มอย่างไรนั้นผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยนะก็มันละลึกเอาไวเ้เถอะกิจใ ด, ดที่ควรทำเรียบทำกิจนั้นพระองตรัสเสมอว่าอย่าต้องเสียใจในภายหลังนะยังไงยังไงก็อย่าเสียใจในภายหลัง อันนี้คำพูดสมัยพุทธกาลใช่ไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่พระธรรมคำสอนก็รุ่งเรืองมูพิสุทั้งหลายก็มองดูกันด้วยจักสูุอันเป็นที่รักนะแต่ละคนก็มองกันด้วยเมตตาจิตในกลุ่มพระสูตรที่กล่าวถึงภายในอนาคตที่เร่งกระตุ้นเตือนให้พระพิสุทั้งหลายเรียบบำเพ็ญสมณธรรมก็จะยกเหตุการณ์เช่นตอนนี้ประชาชนเขาไม่ทะเลาะ ก, กัน เขายังใส่บาตรให้ฉันอยู่นะอันนี้ก็นับว่าเป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญสมณธรรมในอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือหมู่คณะสงฆ์ยังมองกันด้วยมีเมตตายังไม่ทะเลาะกันถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบโกสัมภีขันธกะเนี่ยนะแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝา่นฝาย เ, เป็นหมู่เป็นเราแต่ละคนก็มุ่งมุ่งคิดไว้อีกฝ่ายหนึ่งว่าจะจัดการกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไรถ้าหากว่าหมู่คณะมีความรู้สึก เรียกว่ามีความคิดจัดการคนอื่นอยู่ตลอดเวลาในช่วงนั้นก็นับว่าเป็นช่วงที่ไม่ใช่สมัยที่จะบําเพ็ญสมณธรรมเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องอควรจะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งควรควรได้รับการจัดแจงอย่างนั้นพูดแบบเห็นเห <c oughs> ็นก็คือแต่ละคนมุ่งจะแต่งตัวให้คนอื่นหมดเลยเห็นไหมก็เลยไม่ได้แต่งตัวให้ตัวเองอะนะเพราะมัวแต่คอยแต่งตัวให้คนอื่นคําที่ทะเลาะเบาะแว่งกันก็เป็น เป็นแบบนั้นทีนี้แต่ละคนก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อการ น, นอนก็แทบไม่หลับนั่นแหละมันก็ท่ามู่สองทั้งหลายยังสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ก็ถือว่าเป็นสมัยที่ที่ควรจะบําเพ็ญสมณธรรมนะแล้วก็สุขภาพด้วยนะเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องเหตุผลอย่างอื่นๆด้วยเพราะว่าถ้าเป็นสมัยที่ก่อนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ยังต้องดับขันปรินิพพานใช่ไหม ถ้าหากว่าพระภิกษุหนุ่มๆทั้งหลายก่อนจะปรินิพานแล้วก็พากันละเลยสมณธรรมถ้าหลังจากพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วจะทําอย่างไรกันจะไปอยู่กันยังไงแล้วใครจะคอยโอว่าตักเตือนแล้ะใครจะที่เรียกว่าเออเธออยากคิดอย่างนี้นะอันนั้นควรคิดอันนี้ไม่ควรคิดเป็นต้นแล้วใครจะทําำทั้งก็ถ้าได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมได้โอกาสก็ควรที่ที่จะรีบเร่ง บำเพ็ญเพียรซะเธอเนี่ยนะแต่ทีนี้ในการบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะก็อย่างว่าเราก็คงอัตตัญญุตาใช่ไหมคำว่าอัตตัญญุตานี่หมายว่าเราต้องรู้ว่าเราเนี่เป็นผู้มีศรัทธาเท่าไรศรัทธาแค่ไหนมีฮิริโอตปะขนาดไหนมีสุตะแค่ไหนมีจา่ะขนาดไหนตลอดจนถึงมีปฏิพัน์ เท่าไหร่อันนี้เราต้องรู้รู้ประมาณเราเหมือนกันย้อนกลับมาอริยสัจเนี่ยนะถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษาพระธรรมคำสอนอย่าลืมว่าอริยสัจนั้นตัวสำคัญจริงๆอยู่ที่กิจเนี่ยนะอยู่ที่กิจทุกขศาสัจนั้นถ้าถ้าวาตามเป็นจริงแล้วนะเมื่อใดเมื่อใดสมัยใดทุกขศรสัจก็มีอยู่ตลอดกาลใช่ไห เมื่อใดชาติชรามรณะก็มีอยู่อย่างนี้อยู่ร่ำไปสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่มีการว่างเว้นจากชาติชราและมรณะไม่ว่างจากโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตสรุปว่าไม่ว่างจากทุกกันแต่ทุกเหล่านี้อยู่ที่กิจว่าเอามาทําปริญญากิจสักเพียงไรเราก็มาลองไล่ดูนะว่าในชีวิตทั้งหมดของเราเนี่ยส่วนไหนเราเอามาทําปริญญาแล้ว อันนะั้นในชีวิตเราเลยนะในชีวิตเราสิ่งรอบข้างเราอันนะัใช้คําว่าเราก็คือโวหารอันนะัคือเกี่ยวข้องกับภายในของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเราเอามาทําปริญญาขนาดไหนแล้วทีนี้คําว่าทําปริญญาเนี่ยนะคือทําอย่างไร นนะหลักการทำปริ ญ, ญาเนี่ยทำอย่างไรคือสิ่งที่ต้องไม่ลืมว่าสิ่งทั้งหลายหรืออุปาทานขันห้ามันเป็นที่ตั้งแห่งแห่งทุกช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งทุกอะไรบ้างซึ่งพระ อ, องค์ก็ให้สูตรมาชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมสูตรนั้นคืออะไรสัตว์และสังขารทั้งหลา ย, เ ป, ลายเป็นที่ตั้งแห่งชาติทุกชาราทุกพยาททุกมรณะทุกโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและ อุปาญาตทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จริงๆเราน้อมไปมนสิการอย่างนั้นไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นะมนัสิการอย่างนั้นไหมทีนี้บอกว่ามนสิการอยู่มนสิการเพียงพอหรือยังที่จะตัดฉันธราคาในสิ่งนั้นคือบางทีเราก็พอเข้าใจนะแต่ว่าเอาสำนวนคุณมุนชูก็ได้ บอกขาดการภาวนาเข้าวา่ากั้นสมนนุพ ก, การบอกขาดโยนิโส <c oughs> <c oughs> ก็คือขาดเอาไปคิดหรือคิดไม่ค่อยพอหรือไม่ค่อยสนใจคิดหรือไม่ตั้งใจคิดอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างก็ตามแต่ว่ารวมๆก็คือไม่ค่อยเอามาคิดะนะหรือคิดไม่เพียงพอซึ่งถ้าเก็บทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องและเอามาคิดเอามามนสิการบ่อยๆนะเชื่อเลยว่า ทำที่สุดแทงทุกได้แม้กระทั่งเรื่องชราเนี่ยนะเอาเรื่องแก่ๆอย่างเดียวเนี่ยเอาเรื่องแก่อย่างเดียวมาคิดนะเชื่อไหมว่าบรรลุผการเชื่อไหมว่าบรรลุเอาเรื่องแก่ๆอย่างเดียวเนี่ยนะเรื่องแก่เนี่ยชาราเนี่ยเรื่องแก่ ม, ม, ม, ม, แมันสัมพันธ์เรื่องราวไปทุกเรื่องไปหมดอนะคืออย่างที่กล่าวไปว่าเ อ, อ ผู้ที่เข้าใจหรือผู้ที่ทายาตะปริญญาเอาไวด้ดีคนที่กาหนดกรรมและผลของกรรมให้ดีคือผู้ที่รู้สมุทัยสัตว์ก็คือผู้ที่รู้กรรมและผลของกรรมนั่นเองถ้ามีกรรมมศกตาไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมรู้เลยว่าการเกิดในภพใหม่เนี่ยมีจากอะไรอะไรเป็นตัวนำเกิดในภพใหม่ฉันนราคะหรือตันหา ตันหาโปโนโพวิการนั้นที่ราค่าสาคตาน่ยนะคือตันหานั้นใดที่นำเกิดในพบใหม่มีความกำหนัดอย่างยิ่งมีความเพลิดเพลินในอารมณนน์นั้นๆนะนะไม่ว่าจะเป็นการ ม, มาตัญหาภาวะตัญหาหรือวิภวะตัญหาอันทว่าโดยรวมๆตัญหาก็คือธรรมชาติที่เพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อตัวของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ย เพราะเขามองอารมณ์ในแง่อัศธาทะอย่างเดียวเออดีอย่างเดียวน่าชื่นใจโดยส่วนเดียวอันไ น, นั่นแสดงว่าไม่ได้มองตามสภาพที่เป็นจริงของสิ่งนั้นนันนก็ในร่างกายของเรานะถ้าคิดไปนะเราเราชื่นใจตรงไหนบ้างหรือเคยชื่นใจอย่างไรบ้างนะ เอาเอางี้ก็ได้เคยชื่นใจอย่างไรบ้างนะอันนั้นก็เอามาพิจารณาทีนี้ส่วนในเรื่องของการทำปริญญาในทุกขาริยศาสตร์เนี่ยนะพระองค์ก็คือสอนให้พิจารณาว่าชาราใช่ไหมเพราะการพิจารณาว่าชารานั้นก็นับว่าเป็นตีระปริญญาเนะี่ยคืออย่าลืมว่าคนที่มาคิดเรื่องนี้แสดงว่ากรรมสศกตามีดีอยู่แล้วเขามีกรรมสศกตาอยู่แล้วว่า ความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ทีนี้เมื่อเพลิดเพลินก็เพราะไม่เห็นชราถ้าหากว่าเห็นสภาวะของชราอย่างแท้จริงก็สามารถที่จะตัดฉันฉันทราคะในนั้นได้นะก็เอามาคิดในเรื่องชรามากๆเช่นความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมหงอกหนังย่นเนี่ยนะความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์ในนั้ น, น, นอันนี้เรียกว่าชรานะ่ย คิดเรื่องฟันดูดผมหงอกหนังย่นมากมากก็บรลุนนะสำคัญว่าเอามาคิดแค่หรือเปล่าแค่นั้นเองในสมัยพุทธกาลเนี่ยน ะ, ะนางอัมพาปาลีเทรีเนี่ยท่านคิดเรื่องแก่นะแล้วบรรลุเลยนะคิดเรื่องชราเนี่ยบรลุเลยลองมาฟังดูนะแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่ามานั่งคิดแล้วไม่เคยมีบุญเก่าอะไรมาเลยจะบรลุอันนี้ก็ไม่ใช่ฐานะใช่ไหมยอย่าลืมว่าผู้ที่ตรัสรู้รมในศาสนานี้ เธอผู้ที่มีบุญเก่าสั่งสมเอาไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆของเราถ้าเจริญในพระพุทธเจ้าองค์นี้นะถึงไม่ได้บรรลุก็ไม่น่าหนักใจขอให้เจริญไว้เถอะพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคงจักมองเห็นเป็นแน่ถ้าเราทํากิจเอาไว้ดีแต่ถ้าทํากิจเอาไว้ไม่ดีพระพุทธเจ้ามองเห็นก็ไม่รู้จะช่วยมันตรงไหนเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ค่อนข้างลําบากใจพูดถึงพระนางอัมพปาลีเถรีเนี่ยนะกล่าวว่า นางก็เป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในชาตินั้นๆ น, น, นะให้ทานก็ตั้งความปรารถนาเพื่อพระนิพพานรักษาศีลเจริญสมถะเจริญวิปัสนาหรือศึกษาพระธรรมคำสอนก็มีเป้าหมายชาัดเจนคือตั้งเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานมีอยู่ชาติหนึ่งก็ใน 31บอดกับที่แล้วเนี่ยนะบรรประชาอุปสมบทในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิกขีเมื่อเมื่อ31บอดกับที่แล้ววิปสัสสีสิกขีเวสภูกกูสันทโกนาคมณะเนี่ยนะก็สักสสิบกว่ากับที่แล้วแต่จริงๆอ่ะมีการทำบุญมาก่อนหน้านั้นแล้วอันนี้ก็รัดมาเฉพาะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีสมาทานสิกขาบทของภิกษุณีอยู่แสดงว่าบท อยู่มาวันหนึ่งไหว้พระเจดีย์กระทำประทักษิณเวียนขวาอ่นนะก็ประทักษิณแบบเราไปประทักษิณกันนะเมื่อพระขีนาศเถรีรูปหนึ่งเดินไปก่อนแล้วก็ถมน้าลายก็น้ำลายก็ไปตกที่ลานพระเจดีย์พระขีนาศเถรีรูปนั้นท่านก็เดินไปคือท่านไม่เห็นอ่านะท่านไม่เห็นว่าน้ำลายที่ท่านถมลงไปเนี่ยตกในลานพระเจดีย์ภิกษุณีรูปนี้อ่นะ ก็เดินตามไปข้างหลังเห็นก้อนน้ําลายนั้นก็เลยไม่ได้สังสมสัมมาวาจา ม, มาก็เลยด่าว่าอีแพทย์สยาชื่ออะไรนะทมน้ําลายลงตรงนี้นะคือบางคนนี่ปากพร่อยจริงๆนะได้อะไรนิดๆหน่อยๆนะด่าทันทีเลยเนะชอบด่าไปเรื่อยด่าไปทุกคํำนะอะไรเป็นอะไรไม่รู้ด่าไว้ก่อนแหละซึ่งสมัยนี้ก็ภาษาบางกลุ่มเนี่ยนะเรียกว่าภาษาท้องตลาดเนี่ย ใช้กันเกลือมมากพูดคำด่าคำไปเรื่อยๆเนี่ยนะคำพูดประเภทเนี้สังสมอุปนิสยัยซึ่งจะได้สมพรปากเพราะฉะนั้นภิกษุณีรูปนี้รักษาศีล ข, ขณะที่รักษาศีล น, นี่ก็เกลียดการอยู่ในคันศึกษาเรื่องการอยู่ในคันดื่มน้ำคร่ำเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่เอาละหลังเกลียดก็เลยตั้งจิตให้อยู่ในอัตภาพแห่งโอปปาติกะ เกิดมาชาติใดปางใดก็ให้ผุดโตขึ้นเลยด้วยการตั้งจิตอันนั้นพบสุดท้ายก็เกิดเป็นโอปปาติกะที่โคนต้นมะม่วงเห็นไหมไหนนะอ่าเป็ดไม่มีเป็นโอปปาติกะเลยในอคัมพียาประทานกล่าวว่าข้าพเจ้านี้เกิดในสกุลกษัตริย์ อดีตพูดถึงอดีตชาติของท่านเมื่อ92กลับที่แล้วว่าเกิดในสกุลกษัตริย์เป็นน้องสาวของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุดสะนะบางชาติเนี่ยโอ้เมื่อ890กลับที่แล้วนะเป็นน้องสาวพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ธรรมดาแต่ว่าตอนนั้นทำไมไม่ศึกษาพระธรรมให้บรรลุเลยเนาะน่าคิด ผู้มีรัศมีงดงามดังมาลัยประดับศีรษะข้าพระเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วก็มีใจเลื่อมใสถวายมหาทานแล้วปรารถนารูปสมบัติขณะเป็นน้องสาวพู้แเจ้าทำบุญและตั้งความปรารถนาสาธุชาติหน้าขอให้สว ย, ยน่นะก็ไม่ค่อยเรื่องเรื่องมรรคผลที่พานเอาไว้ก่อนนะนะขอสวยไว้ก่อนนะก็อันนี้พูดเหตุการณ์นั้นผ่านไปนะนะอันนั้นเมื่อเก้าสิบเก้าสิบเอดเก้าสิบสองกลับที่แล้วนะ ทำบุญกับหลวงพระพี่ชายคือพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาให้รูปสวยหลังจากนั้นมาอีก60สิบกับเนี่ยนะคือตอนแรกเก้าสิบเอ็ดกับก่อนใช่ไหมถอยหลังมาอนะอีก60สิบกับก็คือสาสิบกับที่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีเกิดขึ้นเป็นนายกของโลกสองโลกให้สว่างทรงเป็นสารณะของสามโลก เสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในสกุลพราหมณ์กรุงอมรปุระที่น่ารื่นรมโกรธขึ้นมาก็ด่าภิกษุณีผู้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะว่าท่านหญิง น, นะก็ต้องอียิงดีนะด่านะไม่ด่าท่านหญิงอยู่แล้วละ่ะหญิงแพทสยาประพฤตอนาจารปทุสร้ายศาสนาของพระชินเจ้า น, นะคั้นด่ายอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ตกนรกอันร้ายกาศ คืออันนี้ยกตัวอย่างนะว่าคําด่าอย่างนี้เป็นต้นมีใครด่าคําเดียวหรอกอ น, นะคงถ้าด่าอย่างนี้ก็คงอาจจะซ้ําบ่อยๆบ่อยๆเข้าครั้นด่าอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ตกนรกอันร้ายกาดพร้อมด้วยทุกอันใหญ่หลวงเพราะบาปรกรรมนั้นจุติจากนรกนั้นก็มาเกิดในมนุษย์มีธรรมะอันลามกทําให้เดือดร้อนครองความเป็นหญิงแพทย์สยาอยู่ห 0,000 ื่นปีก็ยังไม่หลุดพ้นจากบาปรกรรมอันนั้นเหมือนอย่างกลื่นพิษร้ายเข้าไป นะบาปนี่ทำไว้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมโอ้โหแต่มันติดพันผูกพันนานเหลือเกินเนะก็ติดตามไปเป็นกับๆเลยบางั้นแต่บางเรื่องแต่ถ้ากล่าวตามหลักกรรมกรรมมนิยามเนี่ยติดตามให้ผลเป็นแสนกลับเนะนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทเชียวละข้าพเจ้านั้นเสพเพศพรหมจัน ร, ร์บวชเป็นภิกษุณีในาศาสนาของพระชินเจ้าพระนามว่ากัสปะเออบวชหลายชาตินะ สมัยพระสิกขีก็บวชสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วนะกลับนี้ก็บวช ด, ด้วยผลแห่งบุญนั้นข้าพเจ้าก็เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพบสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดเป็นโอปปาติกะที่ระว่างกิ่งมะม่วงด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงชื่อว่าอ๋มพระปาลีก็เป็นคนรูปสวยมากชายหนุ่มฤิชวีเนี่ยนะคนหนุ่มเยอะมากก็ไปแย่งกันสงสึกชิงนางก็เกิดขึ้นเขาก็เลย ให้ศาลตัดสินว่าใครสมควรได้นางนางอัมพะปาลีไปศาลก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเอาอย่างงี้ก็แล้วกันให้เป็นแพทย์สยามก็แล้วกันคืนละพันใครมีสตังก็ไปเที่ยวเอาเนี่ยนะก็เลยได้เป็นแพทย์สยามอีกชอบหนึ่งแล้นะข้าพเจ้าอันมูสัตว์นับโกรธหอมล้อมแล้วก็บวชในศาสนาของพระชินเจ้าตอนหลังท่านก็บวชแต่ท่านบุเข้าใจว่าบวชช่วงพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานนิดๆหน่อยๆ หรือไม่ก็หลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วจึงได้บวชเพราะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่เมืองภัยาลีก่อนจะดับขันปรินิพานช่วงนั้นเนี่ยนางกําลังถวายอัมพะปาลีวันเนี่ยนะกำลังถวายสวนมะม่วงอยู่เนี่ยนะอัมพะก็มะม่วงนะกำลังถวายมะม่วงอยู่แสดงว่าบวชไปพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพานนิดหน่อยหรือไม่ก็หลังพุทธะปรินิพานแล้วคือลูกชายเนี่ยแนะนํา คือวิ ม, มละระโกณธัญญาอันนะก็นางอัมพปาลีนี่ก็นับว่าเป็นหญิงแพทย์สยาที่พระเจ้าพิมพิสารต้องปลอมตัวไปเที่ยวอันนะทิ้งบ้านเมืองราชคลึกเลยนะปลอมตัวไปไม่ให้ใครรู้จักไปเที่ยวแล้วก็ได้ลูกชายไว้คนหนึ่งชื่อเนี่ยวิ ม, มลโกณธัญญะเนี่ยนะก็ตอนหลังก็เป็นพระอาจารย์แล้วก็ไปสอนแม่แม่ก็เลยออกบวชทีนี้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็บรรลุฐานะอันมั่นคงไม่สั่นคลอน อะไรอะไรที่ไม่สั่นเลยสังขารธรรมทั้งปวนล้วนแต่สัน่นใช่ไหมในความเป็นสังขาตานัาสั่นหมดเลยแต่พระนิพพานนั้นไม่สั่นคลอนท่านก็เลยเป็นที่ดาเกิดจากอกของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระมหาหมุนีข้าพระเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในฤทธิ์ทั้งหลายแล้วก็มี น, นะนางด้อภินญาหกในะตอนหลังมีฤทธิ์มีหูทิพ รู้วาระจิตของผู้อื่นและลึกชาติก่อนได้มากรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็เป็นพระอรหันต์บัดนี้พบใหม่ไม่มีข้าพเจ้ามียานอันสะอาดหมดจดแล้วก็แตกฉานในปฏิสัมพิทาสีเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐคือมรรคผลทั้งมวลที่นางได้นั้นถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ประทานให้มาแต่ที่พระองค์ให้ก็เพราะปฏิบัติตามที่พระองค์สอน กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาเสียแล้วพบทุกภพข้าพเจ้าก็ถอนเสียแล้วถอนพบทุกภพนี่หมายถึงอะไรคือถอนฉันทราคะในทุกภพหมดแล้วของเราที่ถอนพบไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ตัดฉันทราคะในในภพเหล่านั้นเหล่านั้นคือพูดถึงแล้วก็น่ายินดีเห็นไหเช่นพูดถึงปฐมเจดีน่ายินดีไหมก็น่ายินดีใช่ไหมอันนั้นคือประกาศถึงลักษณะของผู้ที่ยังเกิดอีก อันนก็อันนี้จริงๆถึงจะเป็นบุญบุญก็นําเกิดในภพใหม่คิดถึงอะไรก็ตามที่เป็นสังขารธรรมแล้วเพลิดเพลินนะอันนั้นคือเครื่องหมายของการเกิดในภพใหม่แต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเอาตอนนี้เราก็เฉยๆแล้วล่ะอริยมรรคเกิดหรือยังถ้าอริยมรรคไม่เกิดก็ถือว่ายังไม่ได้ถูกประหารอะไรเพราะนั่นก็หมายถึงว่าที่เกิดในภพใหม่อีกบานเลย เพราะอาริยมรรคไม่เกิดและทุกอย่างเราก็เคยไปเพลิดเพลินเอาไว้หมดแล้วนะนั้นก็โอ้เกมยาวเลยท่านก็บอกว่าข้าพเจ้านี้ถอนหมดแล้วนะพบทุกพบอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนั้นก็บอกว่าที่ท่านมาในสำนักพระพุทธเจ้านะเชื่อว่ามาดีแล้วนะภูมิใจมากเลยที่ได้มาในพุทธสานักนะ วิชาสามข้าพเจ้าก็บรรลุแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทําเสร็จแล้วปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดอภิญญาหกข้าพเจ้าก็ทําให้แจ้งแล้วคําสอนคือศิกขาสามของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทําเสร็จแล้วนะตรงกันข้ามกับเราหมดเลยช่วยอานนท์นก็ยังไม่ได้ทํำนะพูดแบบผู้การนะสติปัฏฐานก็ออกใหม่บริบูรณ์เนี่ยนะเพนะผู้การเขไล่ได้เยอะนะยิงกับคนอื่นด้วยเนะี่ย